แกดีใจเป็นนักหนาเมื่อลูกสาวและลูกชายร่วมกันซื้อบ้านใหม่ให้เพราะว่าเธอเบื่อบ้านหลังเก่าในชุมชนแออัดย่านพระประแดงเต็มทีทั้งเสียงทั้งน้ำเน่าไหนจะพวกกิยาอีกเธออยากจะไปให้พ้นจากแหล่งสมนีเหลือเกินแล้วมาถึงวันนี้ลูกทั้งสองก็ได้มอบโอกาสอันพิเศษนี้เธอก็ดีใจปลับปลื้มใจเป็นที่สุดความฝันนองเธอเป็นความจริง แกบอกกับลูกๆว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องสุขภาพจิตเสียกับพวกชาวบ้านแถวนี้สัทีโดยหารู้ไม่ว่าพอแกย้ายออกมาชาวบ้านแถบนั้นต่างก็ดีใจเหมือนกันดีใจที่ไม่ต้องทนเสียงด่าทอโวยวายจากปากของแกยายป้าปากปล ร, รนั่นก็คือฉายาที่เพื่อนบ้านมอบให้เบื้องหลังวงนินทาน่ะยายป้าปากปลราร ที่นี่บ้านหลังใหม่ของนางทวินเนี่ยก็เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นที่ปลูกติดติดกันอยู่ย่านชานเมืองที่เงียบสงบลูกชายและลูกสาวพาแกเข้าไปอยู่เป็นหลังแรกๆของโครงการนางทวินอยู่ที่นี่เพียงลำพังเหมือนเช่นที่บ้านหลังเก่าเพราะว่าลูกทั้งสองแยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดส่วนสามีก็เสียชีวิตไปเกือบสิบปีแล้ว อยู่คนเดียวแต่เธอก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้วันธรรมดาธรรมดาอาจจะเหงาหน่อยแต่เสาอาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัาวเรืงลูกสาวและลูกชายก็มักจะพาหลานๆมาเยี่ยมเสมอแล้วในแต่ละวันแกก็มีกิจกรรมโปรดของแกอยู่เสมอนั่นก็คือการอ่านนิยายส่วนเรื่องเงินทองก็ไม่ได้ลําบากอะไรเพราะว่าลูกทั้งสองส่งให้ทุกเดือนมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายสบาย วันเวลาผ่านไปไม่นานผู้คนก็ทยอยเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าเดือนที่สามนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ทาวเฮาทุกหลังก็มีคนอยู่อาศัยครบหมดทุกหลังบรรยากาศในหมู่บ้านจากที่เงียบๆหน่อยๆก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นตามลําดับมีร้านค้าขายของชํามีร้านซักไรต์มีร้านขายอาหารตามสั่ง ผู้คนรถราเข้าออกในซอยมากขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวและแน่นอนละที่ไหนมีคนมากความวุ่นวายก็มากเสียงก็ดังมากขึ้นเป็นเงาตามตัวอันนี้แหละที่สิ่งที่นางสมทวินนี่มาต้องการเอาเสียเลยเธอภาวนาให้บ้านหลังติดกันซ้ายขวานี่เป็นประเภทรักความสงบแบบเธอแต่ในโลกของความเป็นจริงไม่มีใครสามารถจะเลือกเพื่อนบ้านได้อย่างใจนึกหรอก แล้วนางสมถวินเจอแบบไหนล่ะครับหลังขวามือเนี่เป็นของคนมีอายุอ่าน่าจะรุ่ น, ร, นรุ่นเดียวกับเธอ่งแหละรายนี้ดูลักษณะแล้วเจ้าของเหมือนซื้อไว้เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งหรือไม่ก็ซื้อไว้เพื่อเก่งกาไรซะมากกว่าเพราะเท่าที่เธอสังเกตจะไม่ค่อยเห็นเจ้าของมาอยู่สักเท่าไหร่เดือนเดือนนี่นับครั้งได้ส่วนหลังติดกันทางซ้ายมือนั้นเป็นหนุ่มสาววัยทำงานอายุไม่น่าจะเกิน30ิด้วยกันทั้งคู่ คู่นี้ดูน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเคยยกมือไหว้เธอในวันแรกที่เข้ามาอยู่ในจัดเป็นประเภทเพื่อนบ้านที่รักดีทีเดียวแต่สิ่งที่นางสมถวินเห็นในตอนแรกนะั้มันเหมือนมายาเพราะเวลาผ่านไปไม่นานหนุ่มสาวคู่นี้ก็กลับสร้างความรำคาญให้เธอเป็นที่สุดเมื่อเขาไปเอาเจ้าหมาพันธุดเดินสองตัวมาเลี้ยงเท่านั้นแหละเหมือนนรกมาเยือน เพราะว่าไอ้พุทเดินสองตัวนี่มันเห่าได้เกือบตลอดเวลาแค่ใบไม้ไหวนี่มันก็ห่าแล้วไม่รู้มันจะไฮเปอร์ไปถึงไหนความสงบสุขทางจิตใจก็เลยหายไปเหมือนกับถูกปล้นนิสัยเดิมที่ชอบด่าทอโวยวายชาวบ้านที่หายไประยะหนึ่งของแกก็เลยกลับมาอีกตอนแรกแกก็ไปบอกกับน้องๆเจ้าของหมาแล้วว่าให้ช่วยทําให้มันเงียบๆหน่อยนะ บางคนก็บอกครับบางคนก็บอกค่ะน้องๆก็รับป่กแต่ยังว่าละหมามันก็คือหมาลราบอกสอนกันง่ายๆได้ที่ไหนอ่ะบางวันกำลังนอนกลางวันสบายๆเอาแล้วบอกบอกับกบกบกักบักพอตะบะแตกแกกวตะกนลด่าข้ามกำแพงไปอย่างไม่ไว้นะด่าทอหยาบหยบคล า, ายๆนุ่มสาวคู่นี้ปรากฏว่าใจเย็นเหมือนกับ น, น้ำแข็งไม่ได้โต้ตอบอะไร ยามหมาเห่าก็ได้แต่ห้ามปรามไม่ให้เห่าหรือว่าทาหมาไม่อยู่เถ่าก็พาเข้าบ้านไปเลยปัญหาทะเลาะเบาแวงก็เลยไม่เกิดขณะที่อีกฝ่ายไม่ตอบโต้อะไรก็เหมือนยอมรับไกลๆว่าตัวเองก็เป็นคนผิดที่เอาหมามาเลี้ยงแต่นางสมทวินนี่สิความโกรธความโมโหยังกล่นอยู่ในอกไม่ยอมปล่อยวางเอาง่ายๆกระทั่งวันหนึ่งก็ตัดสินใจกระทาการบางอย่างที่ผิดบัปเมื่อเล่นคนไม่ได้ก็เล่นหมามันสิว่า เธอบอกกับตัวเองอย่างนั้นคิดแผนได้ก็ลงมือทำโดยไวอาศัยช่วงที่เจ้าของไม่อยู่เอาไก่คลุกยาเบื่อหนูโยนเข้าไปให้หมากินหมาเห็นก็ของกินนี่อาก็กินสิครับพักเดียวเท่านั้นและดินแตกน้ำลายปูมปากตายนะตายไปด้วยกันทั้งสองตัวเจ้าของหมากลับจากทำงานมาเห็นเข้าก็ถึงก็ร้องไห้เสียน้ำตายยังก็ลูกตาย ขณะที่นางสมทวินก็รู้สึกสะใจนักเสียยิ้มได้ความพอใจเสียงหมาอันน่ารำคาญไม่มีแล้วความสงบสุขก็ควรกลับมาสถทีนางสมทวินก็นึกอย่างนั้นแต่เวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งการกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าบ้านด้านขวานั้นเขาปักป้ายให้คนเช่าแล้วก็มีคนเช่าเป็นผัวเมียคู่หนึ่งที่มีลูกสาวตัวเล็กๆวัยสองขวบ แล้วเด็กนี่เวลาร้องไห้ยอยู่เยน่ะกูเนอหยุดใจง่ายๆได้ซะที่ไหนอะเพียงวันแรกก็มีเสียงกระจองอแงอหน้าหลอกหูซะแล้วไล่เสียงเด็กร้องนี่มันทําประสาทเสียยิ่งกว่าเสียงหมาเห่าซะอีกร้องแง่แ ง, ง, ง่อยู่นั่นแหละนะเฮ้ย hey, เอ้ยเลี้ยงลูกยังไงวะปล่อยแหกปากร้องรบกวนชาวบ้านคืออยู่ได้นางสมถวินยืนอยู่ข้างกาแพงรัว้วด่าเพื่อนบ้านใหม่ คำก็เฮสองคำก็เฮสัตว์เลื้อยคลานเดินออกจากปากราวกับมันมีอยู่เป็นปุงใหญ่คือพ่นออกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดพ่อแม่เด็กไม่พอใจเหมือนกันก็ต่อว่ากลับเพราะลำพังลูกตัวเองร้องไห้อยู่เย ก, ก็เครียดมากพอแล้วแต่นี้ยังมีเพื่อนบ้านแมวแมว แ, มวแบบนี้มายืนต่อว่าอีกเออมันใช่เรื่องซะที่ไหนเมื่อถูกด่าก็เลยด่ากลับนางสมถวินเห็นท่าไม่ดีก็เลยถอยกลับเข้าบ้าน ไม่ใช่เถียงด่าสู้ไม่ได้แต่เพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะสติแตกเปียนรั้วข้ามมาทำร้ายแต่ก็นั่นแหละยังไม่หายอารมณ์เสียตามแบบฉบับของคนเกินเกินอย่างนางสมทวินแกก็เลยยังนั่งด่าเพื่อนบ้านใหม่อีกเป็นนานสองนานอยู่ในบ้านโดยเปิดหน้าต่างแง้มแง้มไว้เอาไว้เพื่อให้เสียงเล็ดลอดออกไปเข้าหูใครบางคนให้เจ็บใจเล่นนะเฮ้เฮสัสสัสอยู่อย่างนั้นนะอีกเป็นชั่วโมง การสับประยุทธ์ทางผีปากของนางสมทวินและเพื่อนบ้านก็เกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่หลังๆนี้เหมือนกับเพื่อนบ้านจะรู้นางสมทวินคงจะประสาทแบบนี้เองก็เลยเลิกใส่ใจแกด่ามาก็ปิดประตูหน้าต่างเสียปล่อยให้แกด่าเป่าวปลไปอยู่คนเดียวเดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดไปเองแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวนี้ก็เช่าอยู่บ้านหลังนี้ได้เพียงสามเดือนก็ย้ายออกไปถ้าให้ดาวเหตุผลก็คงจะรำคาญเสียงด่าทอของนางสมทวินนั่นเอง พวกเขาคงไม่อยากให้ลูกสาวตัวน้อยได้ยินคำหยาบคายเหล่านั้นทุกวันอีกสามอาทิตย์ต่อมาก็มีผู้เช่ารายใหม่เป็นสองผัวเมียอายุสักสามสิบกลางๆไม่มีลูกมีเต้าอาชีพขายของตามตลาดนัดอาทิตย์นึงก็จะกลับมาอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันแค่นั้นเอออย่างนี้ค่อยสบายหูหน่อยนางสมถวินก็คิดกับตัวเองอย่างนั้นค่าคืนหนึ่งเวลาประมาณสักสามทุ่มครึ่ง นางสมศริ น, นอนดูละครอยู่ภายในบ้านละครกำลังเข้มข้นเลยพเพราะใกล้จะอวสานขณะเพื่อนบ้านใหม่ก็เพิ่งจะกลับเข้าบ้านโดยมีเพื่อนที่ขายของที่ตลาดนัดมาด้วยกันตามมาด้วยสองคนเพราะตั้งใจจะมากินเหล้ากันสักหน่อยฉลองที่ถูกรัตตอรี่เลขท้ายสามตัวห้าใบสิบห้านาทีต่อมาวงเล่าเล็กๆที่มาหินติด ก, กำแพงรั้วบ้านก็เริ่มขึ้นนั่งกินกันไปคุยกันไป เปิดเพลงลูกทุ่งรวมฮิตคลอไปเบาๆเพื่อจะเพิ่มความสุนทรีทางหูเสียงพูดคุยก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายก็นั่งคุยกันธรรมดาธรรมดาแต่สําหรับนางสมถวินแล้วเสียงอะไรมันก็ดังไปหมดอนะมันไม่ธรรมดาทั้งนั้นแหละพักหนึ่งนางสมถวินก็เปิดประตูบ้านออกมายืนที่กำแพงรู้วนี่ไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจคนอื่นเขาเลยหรื อ, อยังไงอ่ะฮะมีมีอะไรป้า ถามได้มีอะไรแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเบาๆกันหน่อยสิไวคนเขาจะหลับจะนอนคนผู้หญิงก็พูดกันบ้างป้าพวกหนูไม่ได้เสียงดังอะไรกันเลยนะเบาที่ไหนล่ะมันธรรมดาธรรมดาเองนะป้าก็คุยกันแบบนี้บ้านอื่นก็ยังไม่เห็นโวยวายเลยพะผมกับเพื่อนก็นั่งกินกันเบาๆเองไอ้เฮป้าว่าใครอ่ะคนผู้ชายลุกปรีมาประชิดกำแพง ก็ใครทำเสียงดังมันก็พวกเฮ่ทั้งนั้นแหละเอสงสัยวันนี้ต้องเอากำปั้นกระแทกหน้าคนแก่สักทีละมั้งกูไม่กลัวมหรอกลูกกูเป็นตำรวจไว้ยป้าสมถวินพูดลอยหน้าลอยตาแล้วด่าใหญ่คนผู้ชายสุดโมโหจะปีนกำแพงไปหานางสมถวินแฟนสาวก็กลัวจะมีปัญหารีบคว้าตัวชายหนุ่มไว้ท้องว่าเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันมาดึงไว้อีกแรงอีกคนแบบนี้มันต้องโดนสั่งสอนสมัง่งทำไมทำไม จลังแกคนแก่หรือไงชุยลูกผู้ชายจิ้บหายเลยไม่รู้นางสมทวินผู้เสร็จก็รีบเดินเข้าบ้านรู้สึกสะใจที่ได้ดา่าแต่ลึกๆ ก, ก็นึกกลัวเหมือนกันตะกี้เกิดไอหมอนั่นปีนข้ามกำแพงเข้ามาจริงๆจะทํายังไงก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันสมวันต่อมานางสมทวินก็ไปเอาหมาพันธุ์รอดไวเลอร์ของลูกชายจากนาคปรปฐมมาเลี้ยงไวไ้ภายในบ้านประมาณว่าเอามาไว้ขู่พวกเพื่อนบ้านข้างๆ สายวันหนึ่งในอีกสี่วันต่อมาเพื่อนบ้านข้างๆมายืนกดกิ่งเรียกนางสมทวินลั่นเนื่องจากว่าตื่นมาแล้วพบว่ามีขี้หมาเกลื่อนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านลักษณะเหมือนกับมีคนจงใจพาหมามาขี้ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าซึ่งแทบจะไม่ต้องเดาว่าเป็นหมาของใครเสียงกริ่งรั้วทีเรียกให้นางสมทวินที่กำลังนอนอ่านนิยายอย่างสบายใจลุกออกมาดูโดยมีเจ้ารถไวเลอร์ตัวใหญ่เดินนำออกไป เธอไม่แสดงสีหน้าตกใจหรือว่าแปลกใจอะไรเพราะคาดการไว้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วป้าป้าเอาหมามาขี่ใส่หน้าบ้านผมใช่มะอย่ามาพูดพล่อยๆนะมันเกินไหมนะป้าอยากคิดว่าผมไม่รู้นะแถวนี้ก็มีแต่ป้าเท่านั้ น, นที่เลี้ยงหมานางสมทวิญก็หัวเราะหื อ, ห อ, หอในลำคอชายหนุ่มก็ยกมือชี้หนะ้าป้าทำอย่างนี้ระวังตัวไวเถอะเดี๋ยวได้เห็นดีกันอุ้ยอุย ขู่พ่อพ่อพ่อเออนะนกลัวตายแล้วมาดิเข้ามาดิเข้ามานางสมทวินก็กวักมือท้าทายชายหนุ่มก็ยกเท้าถีบประตูโครมก่อนจะหันหลังพาแฟนกลับเข้าบ้านจะรอดใบเลือด ก, ก็กระโจนใสห่ห่าวโขมให้เโธ่เอ้ยนึกวันแน่อาทิตรินึงต่อมาลูกชายของนางสมทวินก็พาหลานหลานมาเยี่ยมย่าในบ่ายวันหนึ่งแต่กดกริง่งเรียกเท่าไหร่แม่ก็ไม่ยอมออกมาเปิดประตูรั้ว ก็เลยต้องลงจากรถใช้กุญแจไขเข้าไปเจ้าเบิ่มรถไวเลอร์เหมือนจะดีใจเห่าแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาหาแต่เขาสังเกตเห็นว่าตามลําตัวมันเปื้อนคราบแห้ ง, หงเลือดแห้ ง, หงจับอยู่หลายจุดเอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกพอเปิดเข้าไปกลิ่นคาวเลือดก็คลุงออกมาเตะจมูกไม่ไกลาจากประตูเขาก็มองเห็นร่างของแม่นอนจมกองเลือดอยู่ สภาพศพยับเยินมีรอยแผลเวะหวะอยู่หลายจุดทั้งแขนและคอแทบจะไม่ต้องเดาเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรฝีมือเจ้าหมารอดไวเลอร์ iler, นั่นเองแต่ที่เขาไม่เข้าใจก็คือมันกัดแม่ทำไมเขาสั่งแฟนให้พาลูกๆออกไปรอที่ด้านนอกแล้วกดโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะเดินออกไปสมทบกับแฟนที่ยังอยู่ในอาการตื่นระหนกแม่มาเอาหมาจากเขาไปก็เพื่อไว้ป้องกันคนร้าย แต่แม่ดันถูกมันกัดตายซะเองเออมันเป็นเวรกรรมอะไรของแม่กันนะเขาก็ถอนหายใจอย่างระห่วยน้ำตาแห่งความเศร้าโศกไหลอาบแก้มเสียงร้องไห้ของเขาเรียกเพื่อนบ้านออกมาดูเหตุการณ์อันน่าสยดสยองพักเดียวบรรดาไทยมุงก็เต็มหน้าบ้านผู้ตายนะและก็แน่ละไม่มีใครรู้สึกเสียใจหรือว่าเห็นใจในการจากไปของนางสมถวินแม้แต่คนเดียว แล้วก็มาอยากรู้ด้วยซ้ำว่าอะไรที่ทำให้หมาบ้านนะมันเกิดบ้าเลือดอห้าหันนางสมทวินซะถึงขนาดตายขาบ้านเลยครับตลอดเวลาสองเดือนที่คุณรัตนาย้ายบ้านมาอยู่ในซอยแห่งหนึ่งแทบจะทุกวันที่จะเห็นหญิงชาราวัยร่วมเจ็ดสิบปี มีร่างกายผอมเกร็งเพราะทำงานหนักแล้วก็มีผิวพรรณที่คล้ำกร้านเพราะว่าตากแดดตากลมอยู่เสมอก็ทำให้คุณรัตนารู้สึกสงสารและสนใจในชีวิตของแกเป็นอย่างยิ่งแกได้เห็นหญิงชาราผู้นี้หิวตะกร้าใส่ผักบุ้งกรรมใหญ่ๆหลายกรรมหรือไม่ก็กระเตงกระจัดใบเคืองที่มีดอกบัวและฝักบัวแทบจะเต็ม เดินผ่านบ้านของคุณรัตนาไปทุกเช้าทุกเย็นโดยไม่มีใครไม่ว่าลูกหรือหลานคอยช่วยถือช่วยหาบให้แก่เลยคุณรัตนาก็คิดว่าคนเราณนะอายุปู น, นี้ยหน่าที่จะได้พักผ่อนดูนกดูไม้อยู่กับบ้านท่ามกลางความอบอุ่นของลูกหลานได้แล้วไม่น่าที่จะต้องมาทํางานกลางแดดกลางฝนหาเลี้ยงชีพตัวเองหรือว่าของคนอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ ลูกหลานทําไมไม่มีใครมาหาเลี้ยงดูแลสบ้างเลยคุณนัตนาเองก็ไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านเนื่องจากสามีให้ดูแลลูกๆอยู่กับบ้านก็มีงานบ้านบ้างหรือไม่ก็งานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นรายงานของบรรดาเพื่อนๆ น, น, น้องสาวที่มหลาลัยเอามาจ้างทําทําให้คลายความเหงาลงไปได้บ้างจงกนกระทั่งวันหนึ่งในตอนบ่าย คุณรัตนามีธุระจะต้องออกไปทำนอกบ้านก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งสามีจัดหามาให้ไว้ไปรับลูกที่โรงเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจ า, ยยากบ้านมากนะักหรือไม่ก็ใช้ขี่ไปตลาดซึ่งก็เลยบ้านไปไม่ถึง2กิโลเมตรเธอขับรถออกมาเกือบถึงปากซอยก็พบหญิงชราคนที่ว่านแกนั่งอยู่ริมทางท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุโดยมีตะกร้าผักของแกวางอยู่ข้างๆ คุณนัตนาก็ขับรถไม่เร็วนักก็เลยทันสังเกตเห็นสีหน้าของแกได้ชัดเจนใบหน้าของแกซีดขาวจนเดาได้ว่าแกคงจะเป็นลมคุณนัตนาก็วนรถกลับมาหาแกทันทีด้วยความเป็นห่วงยายยายไม่สบายหรือเปล่าวะฮะยายเป็นลมอะ่ะนั่งพักสักครู่คงคงจะดีขึ้นคุณนัตนาเองจะทนปล่อยให้แกนั่งตากแดดอยู่อย่างนี้ไม่ได้แน่นอน ซอยที่เธออยู่นั้นทั้งสองข้างไม่ค่อยจะมีผู้คนมันเป็นถนนที่ทําสําหรับเข้าหมู่บ้านจัดสรรทั้งสองข้างก็เลยเป็นคูน้ําบ้างเป็นต้นไม้ต้นหญ้าบ้างเธอพิจารณาดูแล้วไม่ได้การล่ะก็เลยให้แกซ้อนท้ายรถออกมาที่ปากซอยซึ่งที่นั่นมีร้านค้าอยู่บ้างแล้วก็ให้แกนั่งที่ร้านค้าร้านหนึ่งแล้วจัดการหาซื้อทั้งยาดมยาหอมมาพยาบาลแกเธอบอกว่า ตอนนั้นน่ะเธอคิดถึงแม่ตัวเองเป็นที่สุดเออถ้าเป็นแม่เราเราจะทำยังไงนะแต่แม่ก็คงไม่ได้มีโอกาสมาเดินตากแดดอย่างเนี้ยเพราะว่าท่านเสียไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนด้วยอุบัติเหตุยายยายกินข้าวกินปลาหรือยังอ่ะยังเลยมีหน้าแล้วถึงเป็นลมนี่มันบ่ายกว่าแล้วนะเสร็จแล้วก็จัดแจงสั่งไว้เตี๋ยร้อนๆให้แกยายบัวนี่เป็นชื่อของแก ที่คุณรัตนามารู้ที่หลังจากการสอบถามแก่ยายบัวนะักเกรงใจไม่กล้าทานอาหารที่คุณรัตนาสั่งให้จกนกระทั่งเธอต้องบังคับให้แกกินตกลงวันนั้นคุณรัตนาก็เลยไม่ได้ไปทําธุระเพราะว่าต้องพายายบัวไปส่งที่บ้านน้องแกซึ่งอยู่เลยหมู่บ้านที่เธออยู่เข้าไปลึกพอสมควรเส้นทางที่จะไปบ้านแกนั้นเป็นแอ่งน้ํา เป็นบึงน้ําตื้นๆอยู่สองข้างถนนซึ่งเต็มไปด้วยผักบุ้งผักกระเฉดและบัวทั้งดอกทั้งใบกุนัตนาไม่เคยเข้ามาในซอยลึกอย่างนี้อย่างมากก็ปากซอยมาหมู่บ้านของเธอบ้านใยญ่บัวเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆปลูกอยู่ในบึงน้ําที่มีสะพานไม้เล็กๆทอดไปยังบ้านหรือว่ากระต๊อบของแกยายใยญยบัวอยู่คนเดียวลูกยังไม่มีเหรอเป็นคําถามที่อยู่ในใจ ของคุณรัตนาซึ่งยายบัวก็คงจะดาวออกแกก็เลยเอ่ยออกมายายอยู่คนเดียวไม่มีใครก็อยู่กับยายหรอกคำพูดของแกดูแปลกๆอ้าวแล้วคนอื่นที่ว่าเน่ะทำไมเขาไม่อยู่เป็นเพื่อนยายละ่ะดูซิอายุก็มากแล้วยังจะต้องมาหาเลี้ยงตัวเองอีกทำไมลูกหลานใจดำจังเธอก็ต่อว่าไป ตามความรู้สึกซึ่งใหญ่บัวแค่ก็ลอบถอนให้ใจยอย่างหมดอะไรตายอยากจนกระทั่งคุณรัตนาสังเกตเห็นแต่ก็ไม่ได้ถามเซ้าซีอะไรต่อไปวันนั้นคุณรัตนาขี่รถออกมาซื้ออาหารแห้งและอยู่ยาที่จําเป็นสําหรับคนแก่เอาเข้าไปใ ห, ให้ใหญ่บัวด้วยความเป็นห่วงแต่พอจะเอาเงินให้ใหญ่บัวแก่ก็ไม่ยอมรับท่าเดียววันต่อมาเธอไม่เห็นใหญ่บัวออกมาขายผักด้วยความกังวลก็ไปดูแก่ที่กระต๊อบเห็นแก่นอนอยู่ตรงประตู ก็นึกตกใจว่าแกคงจะป่วยก็เลยสอบถามดูยายบัวบอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเหมือนกับจะเป็นไข้ทานยาที่คุณรัตนาซื้อไว้ให้แล้วก็นอนพักวันนั้นนะ่ะคุณรัตนาก็มีโอกาสคุยกับยายบัวอยู่นานถึงได้รู้เรื่องชีวิตของแกพอสังเขตว่าเมื่อก่อนนี้ที่ดินที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่คุณรัตนาอยู่นั้นนะเป็นที่ดินของยายบัวเอง เป็นมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ตอนที่พ่อแม่ของยายบัวยังอยู่นั้นท่านทั้งสองทำนาเก็บผอมรอมริบมาให้ลูกสาวคนเดียวคือยายบัวหวังจะให้ลูกสาวสบายโดยทั้งพ่อและแม่ยอมเหน็ดเหนื่อยยอมลำบากไม่ให้ยายบัวต้องมาตากแดดตากฝนให้เล่าเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ยายบัวกลับไม่เป็นอย่างนั้นไม่ค่อยสนใจการเรียนแม้แต่งานบ้านก็ไม่เอา พอเริ่มโตเป็นสาวก็อเอาแต่แต่งตัวแล้วก็เริ่มออกเที่ยวกับเพื่อนสาวๆในหมู่บ้านแล้วก็คบผู้ชายในที่สุดยายบัวก็ตั้งท้องโดยหาพ่อของเด็กไม่ได้ยังความอับอายให้พ่อแม่เป็นอย่างมากพ่อยายบัวนี่ล้มป่วยเพราะกินเหล้าเสียใจในตัวลูกสาวในที่สุดก็ตายเพราะความช้ำใจแม่ของยายบัวจําเป็นต้องพาลูกสาวไปทําแท้งกับหมอเถื่อนในอำเภอเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่ปกติ ยายบัวแทนที่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานาแทนพ่อที่เสียไปแกกลับประพฤติตนเหมือนเดิมจนแม่ต้องล้มป่วยอีกคนเพราะตาากรำทางานแต่เพียงผู้เดียวยายบัวเองก็ไม่ใครจะใส่ใจดูแลแม่ปล่อยให้แม่ต้องหุงหาอาหารหายากินเองตามลำพังมีหนาซ้ำยังรังเกียจในอาการเจ็บป่วยของแม่อีกเวลาเห็นแม่อก็จะเดินหนีไม่เคยเข้าใกล้ เข้าไปสอบถามช่วยเหลือแม่เลยสักนิดเดียวแถมยังแสดงความโมโหหุดหงิดรำคาญแม่แกเจ็บป่วยเพราะว่าแกเป็นวันโรคในสมัยนั้นยังไม่มีการรักษาที่ดีเหมือนกับตอนนี้แม่ก็ทรมานทั้งกายและใจไม่นานก็ตายตามพ่อไปทิ้งให้ยายบัวอยู่คนเดียวความที่ทำอะไรไม่เป็นก็เลยให้เขาเช่าที่นา ต่อมายญ่บัวก็ได้สามีแล้วก็มีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายคนเล็กเป็นผู้หญิงสามีเสียชีวิตหลังจากลูกสาววัยุได้ห้าขวบเพราะว่าไปช็อตปลาในบึงแล้วก็ถูกไฟดูดตายลูกทั้งสองพอโตขึ้นก็ไม่เป็นโลเป็นภายลูกผู้ชายก็ติดการพนันอย่างหนักจนเป็นหนี้เป็นสินหญ่บัวจึงต้องขายที่ดินที่นาเพื่อจะใช้หนี้ให้ลูกส่วนที่เหลือก็หวังจะให้ลูกสาวเป็นทุนการศึกษา แต่ลูกสาวกลับหนีตามผู้ชายเข้ากรุงเทพเบิกเงินไปหมดลูกชายคนโตก็มาโดนยิงตายเพราะการพ น, นันอีกในเวลาต่อมาไม่ น, นยานใหญ่บัวไม่เหลือใครแล้วทุกคนทิ้งแกไปเหมือนที่แกเ ค, เคยทิ้งพ่อแม่เงินก็ไม่มีงานอื่นก็ทำไม่เป็นดีหน่อยที่ยังเหลือบ้านซึ่งสุดโสมลงทุกวันจนกลายเป็นกระตอบสับปรังเคไว้สุขัวนอนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ แกต้องเก็บผักเก็บดอกบัวไปขายที่ตลาดเพื่อยังชีวิตไปวันวันอย่างที่คุณรัตนาเห็นแกจะร้องไห้ทุกวันเพราะคิดถึงลูกสาวที่ไม่รู้ว่าหายสาบสูญไปไหนคิดถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วคิดถึงความผิดพลาดแต่หุนหลังที่ทําไว้แกได้แต่คิดเพราะว่าแกทําอะไรไม่ได้แล้วมันสายเกินไปซะแล้วคิดอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะได้ตามพ่อแม่ลูกผัวที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเท่านั้น เพราะอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์และทุกเข็นแสนสาหัสคุณรัตนนาฟังเรื่องราวของแกแล้วก็ได้แต่ปลอบใจคนแก่ไม่รู้จะทำยังไงช่วยเท่าที่จะช่วยได้ในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นทุกวันนี้ยายบัวยังคงตากแดดตากฝนเก็บผักไปขายด้วยสังขารที่ร่วงโรยลงไปเรื่อยๆอย่างคนที่กำลังชดใช้กรรมรอวันที่จะได้ไปพบญาติญาติทั้งหลายที่แกบ่นถึงแต่ไม่รู้ว่า เมื่อถึงวันนั้นจะได้เจอหรือเปล่าเพราะว่าเส้นทางที่แกจะไปนั้นมันมีอยู่สองแยกด้วยกันก็คือแยกซ้ายไปนรกและแยกขวาไปสวรรค์เท่านั้นครับ